แปดสติปัฏฐานนกถาว่าด้วยสติปัฏฐาน3 0มอยสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติเป็นสตินตรีเป็นสติภระเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงเป็นทางเดียวเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมทั้งปวงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ อาาปานาสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีจะขายตนะเป็นสติปฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีจะขายตนะเป็นสติเป็นสตินสีเป็นสติภละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชงเป็นทางเดียวเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส จักขายตนะเป็นพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติใช่ไหมเปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะ รูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะปราศายตนะโพธายตนะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาทีนะอุทธจจะอหิบริกะอโนตต ป, ปะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที อโนตปะเป็นสติปทานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโนตปะเป็นสติเป็นสตินสีเป็นสติภละเป็นสัมมาสติเป็นกายคตาสติเป็นอุปสมานุสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสติเป็นสติปทานและสติที่เป็นสติปัทานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาธีจักขายตนะเป็นสติปทานและจักขายตนะที่เป็นสติปัฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสติเป็นสติปฐานและสติที่เป็นสติปฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตายตนะกายยตนะรูปายตนะโหทพายตนะ ราคะโทสะโมหะมานะอนโนตปะเป็นสติปฐานและอนโนตปะที่เป็นสติปัฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขายาตนาเป็นสติปฐานแต่จักขายาตนะที่เป็นสติปฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที สติเป็นสติปัฏฐานแต่สติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธพายตนะปราคโทสะโมหะอนุตตะปะเป็นสติปัฏฐานแต่อน ال ุตตะปะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีสติเป็นสติปัฏฐานแต่สติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปราวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น302ปราวาธีท่านไม่ยอมรับปะสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมสกวาธีใช่ปราวาทีสติปรารบสภาวะธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ไม่ใช่หรือ สกวาธีใช่ปรวาทีหากสติปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฐานสกวาทีสติสกวาทีสติปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสติปัฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พัสสะปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นผัสสะปัฏฐานใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสติปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที เวทนาปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้สัญญาเจตนาจิตปรารบสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้เพราะเหตุนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นจิตตปัฏฐานใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที สัตว์ทั้งปวงมีสติตั้งมั่นประกอบด้วยสติมั่นคงด้วยสติสติปรากฏแก่สัตว์ทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 303. สกวาทีสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสติปัะฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระพู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พิกจุดทั้งหลายชนเหล่าใดไม่เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บรรลุอมตรธรรมชนเหล่าใดเจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอมตรธรรมมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีสัตทั้งปวงได้เฉพาะซ่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัตเพื่อบรุญญาญธรรมเพื่อทําให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปฐานสมีอยู่จริงวิใชตหรือปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นทางสายเดียวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสูจ์ทั้งหลาย เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการจึงปรากฏแก้วเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. จักแก้ว 2. ช้างแก้ว 3. ม้าแก้วสีมณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. กข้าบดีแก้วเจปรินายกแก้วเพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการนี้จึงปรากฏ ภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตอรหันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชชง7ประการจึงปรากฏแก้วเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. แก้วคือสติสัมโพธชง 2. แก้วคือธรรมวิจยสัมโพธชง 3. แก้วคือิริยะสัมโพธชง 4. แก้วคือปีติสัมโพธชง หแก้วคือปัตสัตติสัมโพชฌงหกแก้วคือสมาธิสัมโพชฌงเจ7แก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชฌงเจ็ประการนี้จึงปรากฏมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ สภาวธรรมทั้งปวงที่เป็นแก้วคือสติสัมพจน์ชงจึงปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติประธานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสมมัิประธานเป็นนิทธิบาทเป็นอินทรียเป็นพระเป็นโพชน์ชงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสติประธานกถา จบ 9. เกาเววัฏถีติกะถาว่าด้วยสภาวะธรรมที่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้304ร้สกวาทีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมป ร, าวารวาทีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาธีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งทมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะธรรมที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่ หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวาทิสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาที สภาวธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่ น, นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหม ประวัติสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาธีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น30มห้สกวาธีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาธีใช่ ศักว่าทีมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบันศักว่าทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้น มีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ในโดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไร ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบันสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักว่าทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม uh like ่มีอย <t os> like <t os> ู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบันไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีต ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตสักวาทีสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่ นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรว่าทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทาีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบันสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอย okay ู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบัน สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นอดีตก็มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้306สกวาทีรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาทีรูปอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 มีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมประวาตีมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาทีวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่เสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรประวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปรูปไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณสักวาทีรูปอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวาทีวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารสกวาที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 ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่ม mm, ีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นสัญญาวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นสังขารใช่ไหมสักวาที่ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวัติ ดังนั้นรูปจึงมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เหววัตถีติกถาจบมหาวัคค์ที่หนึ่งจบรวมกถาที่มีในวัครค์นี้คือหนึ่งปุคละกถาสองปริหานิกถาสพระมัจจริยกถา 3. โอทิโสกถาขอ 4. ช ะ, ะติกถา 5. สัพพมัตถีติกถา 6. อติตักขันธาทิกถา 7. เอกัฉมัตถีติกถา 8. สติปฐานกถาเเหววัตถีติกถา